BOOK 2 77 77สเจเหตุผลบางประการสามจุดปสทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะไมคุณไม่ทานเคกชิ้นนี้ล่ะค ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะมุ่ง m ึมสูบหนูดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลอดน้ำหนักค่ะทำไมคุณไม่ดืม่มเบียร์คะดิฉันต้องอขับรถค่ะ ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ ne ปิยูโฮเพ o าะที่มุสิมย์ย์เสียรีดิดทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะเพราะฉันเปียชตุกามันเย็นแล้วค่ะเยาสตุเดนดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ nebu ดูยีปีตเพราะที่เยาสตุเดนา ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะเพราะฉันเบียร์แทนชาดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะในมามซูกระดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะเนทนาทำไมคุณไม่ทานซุเพราะฉ ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะไม่เอาเบียร a น่าดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะไม่จะกินเพาไมทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะะดิฉันเป็นมังสวิรัติค่ะ s vegetarian ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ